วันนี้เป็นวันศุกร์ที่5พฤษภาคมพุทธศัรกราช2566เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระบรมศาสดาพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนมันเจริญ ความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเพราะความสุขและความเจริญของจิตใจนั้นก็คือความเป็นสิริมงคลนั่นเองและความเป็นสิริมงคลนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดจากการกระทาของพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติตามที่พรเจ้าได้สรงสอนไว้ในมงคลสามสิบแปดวิธีสร้างมงคลให้แก่จิตใจสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจได้ทรงสแสดงไว้ถึงสาสิบแปดขั้นด้วยกันถ้าสามารถปฏิบัติตามได้ทั้งสาสิบดขั้น ก็จะสามารถยกระดับจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เข้าสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระนิพพานหนึ่งในมงคลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้น ที่จะยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลลุมตัมังแปลว่าการมุงคลการบูชาสิ่งที่สมควรต่อการบูชาหรือบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นมุงคลอย่างยิ่ง บุคคลที่สมควรหรือสิ่งที่สมควรต่อการบูชาสำหรับชาวพุทธเราก็คือพระพุทธศาสนาหรือพระรัตนตรยัยนั่นเองคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราปรารถนาความเป็นสิริ ม, มงคลปรารถนาความสุขของจิตใจ และความเจริญของจิตใจเราต้องมีการบูชาแสดงาการเคารพต่อผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาวพุทธเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะถ้าปราศจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีผู้ที่จะมาสั่งมาสอนผู้ที่จะนำพาให้ชีวิตจิตใจของพวกเราได้ก้าวออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เข้าสู่ความสุขของพระนิพพานได้ ไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีความรู้อันใดในโลกนี้ที่จะสามารถพาจิตใจของสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบในสังสารวัฏได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถ นำพาสัตว์โลกอย่างพวกเราให้หลุดออกจากกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้ <c oughs> พวกเราตอนนี้เปรียบเสมือนเป็นนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตาราง <c oughs> คุกตารางที่เราติดอยู่นี้มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันกำแพงด้านหนึ่งเรียกว่าเกิด กำแพงด้านที่สองเรียกว่าแก่กำแพงด้านที่สามเรียกว่าเจ็บคข้ได้ป่วยและความกำแพงด้านที่สี่ก็คือความตายพวกเรานี่ติดอยู่ในคุกตารางอันนี้มาไม่ใช่เฉพาะแต่พบนี้ชาตินี้เท่านั้นพบนี้เราก็ติดอยู่ในกำแพงของเกิดแก่เจ็บตาย เราเกิดกันแล้วสิ่งที่ตามมาต่อไปที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็คือความแก่ตามมาด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนะะตามมาด้วยความตายแต่พอหลังจากที่ตายไปแล้วเราก็จะไปเกิดใหม่แล้วเราก็จะไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่เรา อยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นเวลาอันยาวนาน <c oughs> น่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบตัวแทนของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนที่จะพาให้เราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ไม่มีใครในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะร่ำรวยขนาดไหน จะมีความรู้จบปริญญาระดับไหนจากมหาวิทยาลัยอันดับไหนก็ตามไม่มีใครเหล่านี้สามารถที่จะสอนสามารถที่จะพาให้จิตใจของพวกเหล่านี้ได้ออกจากคุกทรางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะสามารถที่จะ ทำให้จิตใจของพวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขา<ม>เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก<ม>ก็ไม่สามารถออกจากคุกตรางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ต่อให้เป็นมียศมีตำแหน่งสูงส่งขนาดไหนเป็นพระราชามหากษัตริย์ เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรี<ม>เป็นอะไรต่างๆการเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำให้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้<ม>ต่อให้ได้รับรางวัลชนิดต่างๆมากมายเหรียญทองเอ้ย เหินทองกีฬาต่างๆมงกุฎต่างๆตุ๊กตาทองต่างๆที่เป็นสิ่งที่สร้างความปรารถนาให้กับผู้ที่เกิดอยู่ในโลกนี้การได้สิ่งเหล่านี้มามันไม่ได้ทำให้ได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยหรือการที่ได้ไปสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ อ่านทางตาหูจมูกยื้นกายเช mm ่ hmm. นไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ mm hmm. ทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศ mm hmm. การที่ไปได้ดูได้ฟังสิ่งต่างๆ mm hmm. ดูละครดูการแสดง <c oughs> ได้ฟังการได้ฟังการร้องลําทำเพลง mm hmm. หรือการได้ดื่มได้รับประทาน อาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆหรือการได้ร่วมหลับนอนกับบุคคลต่างๆการกระทำเหล่านี้ไม่สามารถที่จะพาให้จิตออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยนอกจากไม่สามารถนำออกได้แล้วยังกลับเป็นตัวที่เป็นตัวฉุดาก ให้จิตใจของสัตว์โลกนั้นติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆถ้าตาบใดยังมีความหลงที่คิดว่าวิธีที่จะพ้นจากความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยการไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ก็จะไม่มีวันที่จะหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วก็จะไม่มีใครรู้ว่าการที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้จะออกได้อย่างไรถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระรัตนใยองค์ใดองค์หนึ่ง คือพบกับพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือถ้าพระพุทธเจ้าท่านจากโลกนี้ไปแล้วก็มีผู้ที่ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าอยู่สององค์ด้วยกันก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่และได้มีการบันทึกเก็บไว้ในพระคัมภีที่เรียก ที่มีชื่อว่าพระไตรปิฎกเพระไตรปิฎกนี้เป็นที่บรรจุพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันระยะ45ปีนี้พระองค์ได้ทรงสั่งสอนธรรมะเกือบทุกวันยกเว้นวันที่ท่านไม่ สบายประชวนถ้าวันที่ท่านเป็นปกติท่านจะแสดงธรรมวันละสามสี่รอบด้วยกันช่วงบ่ายก็จะแสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมคารวะผู้คลองเรือนช่วงค่ำก็จะแสดงธรรมให้กับนักบวชภิกษุภิกษุณีช่วงดึกก็จะแสดงธรรมให้กับพวกกายทิพย์ คือพวกเทวดาทั้งหลายแล้วช่วงเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบดีโปรดสัตว์จะทรงเรงยานดูว่าจะไปโปรดใครไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น <c oughs> <c oughs> นี่คือภารกิจที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญอยู่ทุกๆวัน <c oughs> เรียกว่าพุทธกิจห้า ทรงแสดงธรรมสี่ครั้งด้วยกันแล้วข้อที่ห้าก็คือการเสด็จออกบินทบาทตรวสัตว์นี่เป็นหน้าที่หรือกิ จ, จวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกๆวันตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันหลังจากที่ได้ทรงตัดทะลุพระธรรมในวันเพ็ญเดือนหก ในขณะที่มีพระ อ, อายุสามสิบห้าปีแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแสดงธรรมมาตั้งแต่วันเพ็ญเดือ น, ว, นวันเพ็ญเดือนแปที่เรียกว่าวันนาสาหะบูชาก็เริ่มแสดงธรรมปวดสัตว์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสิ้นสุดของชีวิตคือวันที่เสด็จ พรนิพานไปในวันเพ็ญเดือนหกเป็นระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่มากมายและได้มีการจดจำเอาไว้จากพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าและ นำเอาคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนนำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆพระอริยบุคคลเหล่านี้ท่านมีความจำมีความเข้าใจในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้และมีหลายรูปด้วยกันไม่ใช่มีเพียงแต่รูปสองรูป ช่วงระยะเวลาที่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจากโลกนี้ไปสามเดือนก็มีพาาาระอรหันตสาวกห้าร้อยรูปด้วยกันมาร่วมประชุมมาทำการสังพยนามาตรวจสอบพระธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆที่าสาวกแต่ละรูปได้จดได้จำกันมา มาเปรียบเทียบกันแล้วก็มาตรวจสอบว่าขาดหรือเกินตรงไหนอย่างไรจนกระทั่งได้ข้อสรุปแล้วก็ถือเป็นคำสอนที่นำเอาไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปอจึงสามารถเชื่อมั่นในความเที่ยงธรรม ของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไวในพระไตรปิฎกได้ว่าเป็นคำสอนที่เป็นของแท้เป็นของจริงไม่มีของปลอม เ, เสไม่มีของแปลกปลอมคนเข้าไปในพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไวในพระไตรปิฎกเลย เพราะว่าได้รับการคัดกรองได้รับการตรวจสอบจากพระอาหลังตสาคกห้าร้อยรูปด้วยกันพระอาหลังตสาคกทุกรูปนี้ท่านรู้เรื่องธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนให้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายท่านเหล่านี้ได้นำเอาไปปฏิบัติและได้หลุดพ้น จากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วท่านจึงรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องท่านจึงมาช่วยกันตรวจสอบความจําของแต่ละลูกว่ามีความจําพลาดเคลื่อนตรงไหนหรือไม่อย่างไรเมื่อมีพระอรหันต์ถึงห้าร้อยลูกมาช่วยกันตรวจสอบย่อม รับประกันถึงความแท้จริงของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีเก็บบันทึกมาไว้ในพระไตรปิฎกว่าเป็นสวากขาโตพระกะวะตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมเป็นคำสอนที่ตรงต่อหลักของความเป็นจริง หลักของความเป็นจริงที่ผูกมัดจิตใจของสรรโลกให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและหลักของความเป็นจริงที่จะปลดปลื้มจิตใจของสรรโลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่สามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปแล้ว<ม>โดยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจากโลกนี้ไปพระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าพวกเราเชาวพุทธนี้จะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาบริจากพระพุทธเจ้าเลยถึงแม้ว่าสลีละร่างกายของพระพุทธเจ้านั้น จะแตกดับไปตายเป็นพระธาตุไปแต่ตัวศาสดาที่แท้จริงนั้นไม่ได้แตกดับไปกับสรีระร่างกายตัวตัวศ า, าสดานั้นอยู่ในคำสั่งคำสอนที่พระ อ, องค์ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สบห้าปีด้วยกัน และพระธรรมคาสอนที่ได้ทรงแสดงไว้และได้มีการจดจําเก็บบันทึกไว้นี่แหละจะเป็นาศาสดราของพวกเราต่อไปของชาวพุทธเราต่อไปชาวพุทธเหล่านี้จะไม่ได้อยู่ปราศ จ, จากพระพุทธเจ้าเลยแม้จะไม่มีร่างกายของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่คาสั่งคาสอนที่เป็นธรรมที่เป็นสวากขาโตพระกวาตาธรรมนี้ ยังอยู่ในพระไตรปิฎกอยางนี้ถ้าเราอยากจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ออขอไปศึกษาได้จากพะาระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้ได้เลยไปศึกษาพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนได้ส่งแสดงไว้ให้กับบุคคลต่างๆในโอกาสต่างๆสามารถนำเอาคำสอนเหล่า น, นั้นมา มาปฏิบัติได้และจะสามารถรับผลอันเลิศอันประเสริฐ จ, จากการปฏิบัติตามคําสอนเหนั้นได้เหมือนกับได้ฟังพระธรรมคาสอนจากพระโอษฐโดยตรงพระโอษฐของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนี่คือผู้ที่จะทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตายจากไปแล้วนี้ ก็คือพระธรรมคําสอนที่ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันและได้มีรวบรวมกา ร, รจดจำรวบรวมกันบันทึกไว้ในพระธรรีพระไตรปิฎกนี้เองนั้นถ้าเราอยากจะฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า<ๆ>ก็ลองไปอ่านหนังสือลองในพระไตรปิฎกนี้เส้นทางเหล่านี้ก็ได้คัดสน พระสูตรห้าพระสูตรที่มีคุณค่าคุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่พิมพ์แล้วก็นำมาแจกให้กับท่านที่เข้ามาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมให้สามารถนำเอาไปอ่านได้หนังสือเรียวกว่าเบญจางพระสูตรเบญจางพระสูตร คือมีพระสูดสามการห้าพสูดด้วยกันคือธรรมจักกับปวันตนสูตรอนัตตลกนัสูตรอาทิตยสูตดสติปฐานสูดแม่มงคลละสูดพสูตรเหล่านี้จะเน้นสอนเรื่องของการปฏิบัติมักที่มีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่ให้ผู้ปฏิบัติ สามารถนำเอาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการยืนว่าตายเสิดได้มีคือความสำคัญของพระไตรปิฎกแต่เราไม่จะเป็นที่จะต้องศึกษาทั้งหมดพระไตรปิฎกมีบันทึกไว้ถึงแปดหมื่นสี่พันทำมบท ด, ด้วยกัน แต่คำาบทส่วนใหญ่ก็จะเป็นซ้ำๆกันหรือเป็นผู้เรื่องเกี่ยวที่อาจจะไม่ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติก็ไม่จำเป็นที่ต้องเรียนรู้ทั้งพระไตรปิฎกเรียนรู้แต่เฉพาะคำาทีที่สอนให้ปฏิบัติมากแปดหรือสอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาเท่านั้นแหละ ก็จะเพียงพอต่อการที่จะพาให้จิตใจของผู้ปฏิบัติได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษากันถ้าเราเป็นชาวพุทธที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายเราควรจะศึกษา ขสูตรต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสอนไว้เพื่อเราจะได้ใช้เป็นมาตรฐานเพราะว่าบางทีนอกจากที่เรามีข้สูตรแล้วเรายังมีครูบาอาจารย์ต่างๆที่จะช่วยสอนให้เราได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติได้มากขึ้นด้วยแต่เราก็ต้องมีเกณฑ์ มีมาตรฐานไว้วัดคําสั่งคําสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราจะไปศึกษาว่าท่านเป็นผู้ที่สอนตามแนวทางที่พู้เจ้าได้ทรงนำมาสอนหรือไม่หรือท่านสอนขัดกับคําหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเวลาเราไปปฏิบัติกับพระอาจารย์ต่างๆ ซึ่งเราอาจจะเชื่อว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระอานันตสาวกของพระพุทธเจา้าถ้าเราไม่รู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเราก็จะไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบคำสอนของพระอาจารย์ต่างๆที่เราไปศึกษาด้วยว่าท่านสอนเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่ แต่ถ้าเราได้ศึกษาคําสอนที่สําคัญที่ได้ยกแสดงมาเช่นทศศูนยต่างๆแล้วเวลาเราไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆเราก็จะได้มีอะไรเปรียบเทียบกันว่าพระอาจารย์รูปนี้สอนเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่หรือสอนต่างจากพระพุทธเจ้าอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ ไม่หลงทางเพราะบางครั้งบางคราวถ้าอาจารย์บางรูปท่านก็อาจจะหลงทางก็ได้และนำมาเอาความหลงของท่านนีมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ถ้าผู้อื่นไปศึกษาด้วยโดยที่ไม่ได้มีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบก็อาจจะหลงเชื่อตามคําสอน ของผ้าจาย์รูปนั้นๆก็ได้ถ้าถ้าผ้าจาย์รูปนั้นท่านหลงท่านไปไม่ถึงท่านไม่ได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเก่แก่เจ็บตายถ้าเราไปศึกษากับท่านเราก็จะไม่ได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ถ้าเรามีพระสูตรที่สำคัญต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้เป็นเครื่องเปรียบเทียบ เราก็จะได้รู้ว่ า, าท่านสอนตรงกันหรือไม่ถ้าสอนไม่ตรงเราก็จะได้อา่าอาจจะถอนถอนตัวออกเพราะว่าถ้าสอนอะไรที่พระเจ้าไม่ทรงสั่งสอนอันนี้แสดงว่าไม่ใช่ทางแล้วทางที่จะพาให้เราออกจากกองทุกข์ได้นั้นต้องเป็น ทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้นำเอาไปปฏิบัตินี่คือเรื่องของพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนแล้วก็พระอริยสงสาวกพระอาหารหันตสาวกคือพระอาจารย์ต่างๆพระสุปฏิปันโนต่างๆซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนจริงหรือไม่ จะรู้ได้ก็เวลาที่ท่านตายไปแล้วแล้วกระดูกของท่านนี้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านก็เป็นพระอาหารหันตสาวกแต่ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นี้เรายังไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอาหารหันตสาวกหรือไม่นอกจากว่าถ้าเราได้ศึกษา จากท่านและนำเอาคาสอนของท่านไปปฏิบัติจนสามารถทำให้เราได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกถ้าเราสามารถเป็นพระสาวกเป็นพระอรหันตสาวกจากคำสอนของท่านได้เราก็ต้องมั่นใจว่าท่านต้องเป็นพระอรหันตสาวกท่านถึงสอนให้เราเป็นพระอรหันตสาวกได้ อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราอาจจะใช้เป็นการพิสูจน์ว่าพระอาจารย์ที่เราไปศึกษาด้วยนั้นท่านเป็นพาาระอรหันตสาวกหรือไม่ถ้าเราไปศึกษาแล้วเอานามําสอนของท่านมาปฏิบัติจนกระทั่งทาให้เราได้บรรลุเป็นพาาระอรหันตสาวกได้เราก็จะมีความมั่นใจว่าท่านก็ต้องเป็นพาาระอรหันตสาวกอย่างแน่นอน เพราะคำสอนที่ท่านเอามาสอนนั้นก็เป็นเป็นธรรมที่ท่านใช้ปฏิบัติเพื่อให้ท่านได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสาหรับที่เราอยากจะพิสูจน์ครูบาอาจารย์ที่เราไปศึกษาว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่หรือเป็นพระระดับไหนถ้าเราศึกษาจากท่านแล้วเราสามารถปฏิบัติได้ผล เราก็จะเชื่อว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีมีคุณธรรมแน่นอนจึงสามารถสอนให้เรามีคุณธรรมวิเศษขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไม่รู้บางทีเราปฏถึงแม้ท่านจะเป็นพาาาระอรหันต์แต่ถ้าลรความการปฏิบัติของเรานี้ยังไม่ยังไม่ครบครบถ้วนบริบูรณ์เราก็ยังอาจจะไม่ได้บรรลุถึงผลที่เราพึงจะได้รับ อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นเพราะว่าเรายังปฏิบัติไม่ครบยังไม่ถึงยังไม่ถึงขีดที่จะทำให้เราบรรู้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะอย่างน้อยรู้ว่าท่านสอนถูกแนวทางหรือไม่ก็ให้เราศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนศึกษาพระสูตรเช่นสติปัฏฐานสูตรมงคลสูตร รรมาจากกับปะวัตนาสูตรไว้ก่อนแล้วเอามาเปรียบเทียบกับคำสอนที่ท่านสอนว่าคล้ายคลึงกันหรือไม่ไม่ขัดกันหรือขัดกันอย่างไรเราจะได้มีอะไรมาเป็นเครื่องวัดคำสอนของพระที่เราไปศึกษาด้วยเพราะการที่ได้ศึกษากับพระที่มีชีวิตอยู่นี้มันก็จะมีประโยชน์ มากกว่าการศึกษาจากพักคำพีเพราะการจะศึกษาจากพระคมภีนี้เราบางทีต้องใช้ความคิดของเราเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งความคิดของเราอาจจะคิดไม่ถูกแนวทางก็ได้แต่ถ้าเราไปศึกษากับพระที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วเรานำเอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติ ถ้าเกิดเหตุขัดข้องตรงไหนอย่างไรหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไห น, นเราก็ยังสามารถสอบถามได้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้นำอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษากับถ้าเรามีโชควาสนาได้เจอพระอริยบุคคลการได้ศึกษาจากพระอริยบุคคลนี้มันก็จะง่าย ก่กบการที่เราศึกษาจากพระคัมภีร์ต้องการการศึกษาจากพระคัมภีร์นี้เราต้องเป็นคนที่จะต้องวินิจฉัยเองว่าคำสอนตรงนี้หมายความว่าอย่างไรและจะต้องปฏิบัติอย่างไรซึ่งบางครั้งการวินิจฉัยของเราก็อาจจะวินิจฉัยไม่ถูกต้องก็ได้ถ้าวินิจฉัยไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็จะไม่ถูกต้อง ผลที่จะไดจากการปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าได้ศึกษากับผู้ที่ได้บรรลุแล้วแล้วถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรหรือปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผลอย่างไรก็อาจสามารถไปไปเล่าไปถามให้ท่านได้จากท่านได้ว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่ขาดตกบกพร่องตรงไหนทำไมถึงปฏิบัติแล้วยังไม่ได้ผล มันจะดีอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราได้ศึกษาจากพระอริยะบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าจะได้ถามได้สงสัยอะไรก็ถามได้และเวลาที่ท่านแสดงธรรมท่านก็จะมักแสดงธรรมที่ตรงประเด็นที่เข้าเป้ามากกว่าที่เราไปศึกษาจากพระคมภีเพราะคมภีนี้จะมีธรรมะหลายระดับด้วยกัน ไม่ใช่แต่เฉพาะระดับการปฏิบัติเท่านั้นยังมีธรรมะระดับระดับศรัทธาระดับระดับทานระดับศีลซึ่งบางทีสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจแล้วแต่สิ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจก็คือระดับของการปฏิบัติเช่นการภาวนาการเจริญสติการนั่งสมาธิการพิจารณาทางปัญญาว่าทาอย่างไรถึงจะได เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดผลตามมาต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้ามีองค์ใดองค์หนึ่งนี้อย่างน้อยเราก็ถือว่าเรายังมีครูมีอาจารย์อยู่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระสุปฏิปันโนแต่มีพระไตรปิฎกเราก็อาศัยพระไตรปิฎกนี้ไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ จะไม่หลงทางอาจจะไปถึงช้าหน่อยเพราะว่าจะต้องใช้เวลาวินิจฉัยวิเคราะห์ด้วยตนเองอาจจะต้องลองผิดลองถูกไปแต่ไม่ช้าก็เร็วถ้ามีความความพยายามและมีความฉลาดคือสามารถแยกแยะอะไรที่ถูกได้อะไรที่ผิดได้ถ้าปฏิบัติตรงนี้ผิดก็ก็เปลี่ยนเยอะ ก็เลิกไปลองปฏิบัติที่ถูกมันก็จะสามารถพาให้เราไปสู่การหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พบกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุ ป, ปฏิปันโนหรืออาจจะเป็นพระคำสอนของท่านที่ได้ตายไปแล้วแต่มีคำสอนเก็บไว้ มาเช่นเป็นหนังสือบ้างเป็นเทพบ้างเป็นเป็นเสียงอะไรต่างๆบ้างและได้มีการยืนยันว่ากระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอันนี้เราก็สามารถใช้คําสอนของท่านมาศึกษาได้มาเป็นเป็นเป็นเครื่องนําทางให้เราได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ นี่คือเรื่องของพระรัตนาตรัยที่เราต้องการที่จะมาบูชากันม า, มาแสดงความเคารพมาแสดงความกตัญญูต่อพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งในแนวทางของการบูชาในพระพุทธศาสนานี้ก็ ม, มีมีการบูชาอยู่สองระดับด้วยกัน ระดับแรกเรียกว่าอามิสบูชาคือบูชาด้วยเครื่องสักการะและข้าวของเงินทองต่าง ๆ, างๆเช่นดอกไม้ทูกเทียนหรือมีการถวายเงินถวายทองเพื่อบุรณะหรือสร้างวัดสร้างศาสนาศาสนาสถานสร้างถาวรวัตถุที่มี ความจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาอันนี้เราเรียกว่าเป็นอมิสบูชาส่วนการบูชาระดับที่สูงกว่าอมิสบูชาเราเรียกว่าปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาก็การปฏิบัติเพื่อให้จิตใจได้หลุดพ้นออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเอง ก็คือการปฏิบัติในระดับศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปอามิสบูชานี้เป็นการปฏิบัติในระดับทานเป็นการทำบุญให้ทานถวายสิ่งของต่างๆสร้างถาวรและวัตถุต่างๆให้กับพระพุทธศาสนาอา น, นิสงส์ที่ได้จากอามิสบูชานี้สู้อา น, นิสงส์ที่ได้จากปฏิบัติบูบชาไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะอา น, นิสงส์จากการ จากอาวุธบูชานี้ก็อยู่ในระดับของการทําบุญทำทานนเองอา น, นิสงส์ของการทําบุญทําทานก็คือจะได้สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นต่างๆระดับชั้นเทพแต่ถ้าได้มีการปฏิบัติบูชานี้จะได้สวรรค์ระดับมรรคผลนิพพานจะได้สวรรค์ชั้นระดับของพระอริยบุคคลจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามี พระอนาคามีและพระอรหันต์ต้องเกิดจากการปฏิบัติบูบชาระหว่างการบูชาสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องของการบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาว่าเป็นการบูชาที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดเป็นทรงตัดไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตเนี่ย พระพุทธเจ้าบอกว่าใครอยากจะบ kee kee writer, ูชาพระพุทธเจ้านี่ให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาไม่ต้องอย่าปฏิอย่าบูชาด้วยอมิสบูชาเช่นสร้างพระพุทธรูปต่างๆสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดไหนก็ตามองค์เท่าภูเขาก็สู้การปฏิบัติบูช anyway. า damned, bottle bottle ไม่ได้สร้าง Separ วัดให้ใหญ่โตมโหฬารให้สวยงามวิจิตรพิสดาอย่างไร ก็สู้การปฏิบัติบูชาไม่ได้เพราะอนิสงหรือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติบูชานี้มันยิ่งใหญ่มากกว่าอนิสงที่เราจะได้รับจากอามิสบูชาอามิสบูชานี้ก็คือการเสียสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของเราเพื่อสร้างอะไรต่างๆให้กับพระพุทธศาสนาและสนับสนุนการ การดำเนินการของพระพุทธศาสนาเช่นทําบุญใส่บาตรเราก็ต้องเสียสละข้าของเงินทองสร้างถาวรวัตถุสร้างกุฏิถวายผ้าผ้าปา่าผ้ากรถินสร้างพระพระพุทธรูปต่างๆไว้ให้เป็นที่สักการะบูชาสร้างศาลาสร้างโบสถ์ไว้เป็นที่สำหรับทากิจกรรมทางศาสนา การกระทำเหล่านี้เรียกว่าอามิสบูชาอามุบูชาด้วยอามิสอารมิสก็คือวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆอันนี้สง์จากของการอามิสบูชานี้ก็จะได้ตายไปก็ได้ไปสวรรค์ชั้นเทพแต่ยังไม่ได้สามารถหลุดออกจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไนดะ้ตายไปถ้าเรามีแต่อามิสบูชา ดวงวิญญาณของเราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นเทพมีอยู่หกชั้นด้วยกันขึ้น อ, อยู่ว่าทํามากทําน้อยทํามากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงทําน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นต่ํำแต่ก็เป็นสวรรค์ที่ให้ความสุขกับดวงวิญญาณแล้วพอบุญที่ได้ทําไว้หมดลงก็จะต้องกลับมาเข้าคุกของการเกิดแก่เจ็บตายต่อไป พอพ้นจากสวรรค์ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดก็ต้องมาอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายใหม่จะไม่สามารถที่จะหลุดออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าทาเพียงถ้ามีการทำเพียงแต่อามิสบูชาเท่านั้นก็คือมีการทำบุญในรูปแบบต่างๆทำบุญทาบุญใส่บาทททำบุญเลี้ยงพระ ทำบุญทอดกระถินทอดผ้าป่าทำบุญสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ทำบุญอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าเป็นอมิสบูชาและประโยชน์ที่ได้รับก็คือจะได้ไปสวรรค์ได้ไปเที่ยวในสวรรค์เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแต่พอบุญที่ส่งให้ไปเที่ยวในสวรรค์หมดลง ก็ต้องกลับเข้าคุกเหมือนเดิมกลับเข้าคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่พวกเรากำลังเป็นอยู่ขณะ น, นี้ถ้าพวกเราทาแต่อมิตสบูชายอย่างเดียวตายไปเราก็จะไปแค่สวรรค์แล้วจะต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเรา ทำบูชาด้วยการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติระดับศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปเนี่ยถ้าเราปฏิบัติระดับศีลสมาธิปัญญาได้เนี่ยมันก็จะพาให้ดวงวิญญาณของเรานี้หลุดออกจากโลกของการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพันธิพานได้ ขั้นของพระอรหันตสาวกได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแต่ถ้าเราได้ขั้นอื่นเรายังต้องกลับมาเกิดอีกจะจะมีจํานวนลดน้อยลงเช่นถ้าเราได้บรรลุ ข, ขั้นที่หนึ่งของของของพระอริยบุคคลคือขั้นพระโสดาบันนี้เราก็ยังต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดครั้งเป็นอย่างมาก และเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายจะไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกอันนี้เป็นผลที่เราจะได้รับถ้าเราได้ปฏิบัติทำถึงขั้นที่หนึ่งได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน mm hmm. ถ้าเราได้ขั้นที่สองคือขั้นพระสะกิดาคามี mm hmm. เราก็จะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกครั้งเดียว แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายในฐานะของมนุษย์ต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดอยู่ในในในสวรรค์ชั้นพรหมโลกไปเกิดเป็นพรหมอยู่คือขั้นที่สามถ้าเราได้ขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีนี้เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะเรามีความสามารถที่จะตัด ความยินดีในเรื่องของกามได้หมดกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มีติดอยู่กับร่างกายนั่นเองร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าใจเรายังมีกามะฉันทะมีความยินดีที่จะเสพกามอยู่ใจก็จะพาให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถตัดความอยากจะเสพกามได้หมดไม่ต้อง หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาชนิดต่างๆได้ใจของเราก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมเป็นดวงวิญญาณที่เป็นพรหมเป็นสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งสวรรค์ชั้นพรหมก็ยังมีการมีการเสื่อมได้เหมือนมีการตายได้มีการเกิดมีการดับได้อยู่ถ้าอยากจะออกจากสวรรค์ชั้นพรหมไป ต้องปฏิบัติขั้นที่สี่คือให้ได้ขั้นพระอาหารหันต์พ อ, อได้ขั้นพระอาหารหันต์แล้วดวงวิญญาณก็จะไม่ติดอยู่ในตายพบติดต่อไปไม่ติดอยู่ในพบของกามไม่ติดอยู่ในพบของพรหมจะก็จะไปอยู่ที่นิพพานแทนอันนี้คืออ น, นิสงส์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูบบชา ที่ได้อ น, นิสงฆ์ได้ประโยชน์มากกว่าอามิสบูชาอามิสบูชาได้เพียงสวรรค์ชั้นเทพเท่า น, นั้นเองแต่ถ้าปฏิบัติบูบชานี้จะได้สวรรค์ชั้นพรหมได้สวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าและได้นิพพานในที่สุด้นอยู่กับกำลังของการปฏิบัติว่าปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรดังนั้น สิ่งที่พวกเราควรจะให้ความสำคัญกันก็คือปฏิบัติบูชาแต่ถ้าเรามีโอกาสหรือมีมีความจำเป็นที่จะต้องทำอ ม, มิสรบูชาก็ทำได้เช่นถ้าเห็นวัดที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขาดแคลนสิ่งของปัจจัยสี่อาจจะขาดแคลนอาหารขาดแคลนที่อยู่อาศัย ขาดแคลนกีวรเครื่องนุ่มหมขาดแคลนยารักษาโรคอะไรทำนองนี้ถ้าเราไปเห็นพระป่าพระที่อยู่ตามป่าตามเขาที่อยู่แบบทุรกันดารอยู่แบบยากลาบากถ้าเราอยากที่จะสนับสนุนให้ท่านได้อยู่อย่างอย่างสบายไม่ไม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของท่านเราก็สามารถทอาอมิสบูชา ควบคู่ไปกับการปฏิบัติบูบชาได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลือกทำบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้ามีเหตุมีความจําเป็นที่เรายังอยู่ในฐานะที่เรายังสามารถทำอามิสบูชาได้เราก็ทำอามิสบูชาไปเพราะบางทีเรายังอาจจะไม่สามารถปฏิบัติบูบชาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถที่จะตัดภาระต่างๆที่ยังผูกพันเราอยู่ คือเรายัางไม่สามารถที่จะออกบวชได้ถ้าเราออกบวชได้แล้วเรื่องของอมิสบูชานี้ก็หมดปัญหาไปถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ควรจะทุ่มเทให้เวลากับการปฏิบัติบูบชาไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเรื่องอมิสบูชาอย่างที่พระบางรูปท่านทำกันอย่างพาญาติโยมไปทอดผ้าป่าทอดกะถินไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อะไรต่างๆเหล่านี้ อันนี้ไม่ใช่เป็นกิจของผู้ปฏิบัติบูบชาจริงๆถ้าถ้าเข้าสู่ระดับปฏิบัติบูบชาอย่างจริงๆแล้วนี้จะต้องมุ่งไปสู่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต้องมุ่งไปปฏิบัติทุดงควัตต่างๆมุ่งไปปฏิบัติกรรมฐานต่างๆไปปีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาถือทุดงควัตอยู่ตามโคนไม้แล้วก็ อยู่แบบสมถะเรียบง่ายฉันมือเดียวฉันในบาทถือผ้าสามผืนอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นการปฏิบัติบูบชาสาหรับนักบวชผู้ที่เป็นนักบวชแล้วนี้ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องกับอามิสบูชาเพราะจะเป็นการเสียเวลาเป็นการขวางการเจริญก้าวหน้าในทางปฏิบัติบูบบชานั่นเอง เพราะว่ามันเป็นการเดินถอยหลังถ้าเราปฏิบัติบูบบชานี้เป็นเรากําลังเดินไปข้างหน้าแต่พอเราไปทําอามิสซบูชาไปทํางานไปจัดผ้า ป, ป่าบ้างจัดกรถินบ้างไปทําอะไรทํานองนี้ไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างพระพุทธรูปสร้างสาววและวัตถุต่างๆอันนี้เป็นกิจที่ไม่ใช่เป็นกิจของผู้ที่ต้องการที่จะกระทาปฏิบัติบูบบบชา ถ้ากระทำปฏิบัติบูชานี้ต้องไม่เอาเรื่องอมิสซบูชาเลยสำหรับผู้ที่ได้เป็นนักบวชแล้วแต่สำหรับญาติโยมที่ยังอยู่แบบครึ่งครึ่งกลางๆอยู่คือบางเวลามีเวลาว่างก็ไปอยู่วัดไปปฏิบัติบูชาแต่บางเวลาก็ต้องทรมาหากินต้องมีภารกิจต่าง ก็ไม่ได้ไปปฏิบัติบูบชาแต่ก็ยังสามารถทาอามิสซาบูชาได้ทำบุญใส่บาตรหรือถวายเงินทองเวลาที่มีมีการา ม, มีการเลี่ยายหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำบุญร่วมกันก็สามารถทำอามิสซาบูชาสลับไปกับปฏิบัติบูบชาได้ในขั้นเริ่มต้นขั้นเริ่มต้นนี้เรายังอาจจะทำได้ทั้งสองอย่าง บางช่วงเราก็ทำอมิสบูชาบางช่วงเราก็ทำปฏิบัติบูชาแต่ถ้าการปฏิบัติบูชาของเรานี้มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นนี้เราจะมีแนวโน้มที่อยากจะไปปฏิบัติบูชาให้มากขึ้นเพราะผลประโยชน์ที่ได้จะรับจากการปฏิบัติบูชานี้มันยิ่งใหญ่กว่ามันมากกว่าผลที่เราจะได้รับจากอมิสบูชา คือความสุขใจที่ได้จากการกระทำอมิสบูชาการทำบุญทาทานนี้สู้ความรู้สึกความสุขใจที่ได้จากการไปปฏิบัติบูบชาไม่ได้เดลวลาเราไปปีกเวิเว่ยไปปฏิบัติบูบชาทำใจให้สงบได้นี้โอ๋เราจะได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญร้อยล้านพันล้านเราจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติบูชา เมื่อเราได้สัมผัสกับผลที่เราได้จากการปฏิบัติบูบชาพอเราได้รับผลแม้แต่เป็นเพียงแค่ช่วกขณะเดียวช่วกวูบเดียวช่วงูแลบลิ้นช่วกฟ้าแลบก็ตามแต่น้ำหนักของมันกำลังของมันนี้จะทำให้เรานี้มีศรัทธาเต็มร้อยให้กับการปฏิบัติบูชาส่วนอวิสบูชาเราก็อาจจะทาครั้งเดียวครั้งยิ่งใหญ่ คือมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็บอยจากไปให้หมดเลยแล้วก็ออกบวชนีอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านก็ทา ร, ราชสมบัติเนี่ยแล้วท่านก็ไปมุ่งไปสู่การปฏบิบัติบูชาเพียงอย่างเดียวเนีย่ยหลังจากไปปฏิบัติบูบชาปจริงๆเพียงระยะเวลาหปีพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานีแล้วพอมีพระพุทธเจ้าผู้รู้ทางมาสั่งมาสอนนี่ ถ้ากายไปได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ทรงรับประกันเลยว่าถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติบูชากับพระพุทธเจ้านี้ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว<ส>ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้รับผลของการบรรลุจะได้รับผลจากการปฏิบัติบูชาอย่างแน่นอนเพราะว่ามีผู้สอนผู้ที่รู้ทางแล้ว แล้วถ้าผู้ที่ปฏิบัติมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความพร้อมที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่ปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้ว<ม>ก็บางท่านก็ จ, จะสามารถบรรลุหลุดพ้นออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ภายในระยะเวลาเพียงเจดวันก็มีถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือน<ม>ถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี นี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติบูชาถ้าเราได้มีพระรัตนาตราัองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้สอนเราเป็นผู้พาเราไปมีพระพุทธเจ้าได้ดีที่สุดถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่ไปศึกษาจากพระพุทธเจ้านี้ได้บรรลุเป็นพระหนานกันเป็นจํานวนมากเลยมีทั้งพระมีทั้งคารวะผู้ครองเรือ มีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทุกเพศทุกวัยพระพุทธเจ้านี้ท่านมีความฉลาดในการสั่งสอนธรรมะรู้ใจของผู้ที่มาปฏิบัติว่าติดอยู่ที่ตรงไหนและจะแก้ได้อย่างไรก็จะเน้นสอนไปที่จุดนั้นสอนให้แก้ปัญหาของของจิตดวงนั้นว่ากำลังติดกับอะไรอยู่แลวจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างไรพอได้แก้ปั๊บเท่านั้นอะ ก็ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันเลยเช่นยกตัวอย่างอย่างองคุลิมานนี้องคุลิมานไปติดว่าถ้าอยากจะบรรลุทำขั้นสูงต้องฆ่าคนเยอะๆต้องฆ่าคนหนึ่งพันคนถึงจะบรรลุถึงจะบระบรลุทำขั้นสูงได้เพราะนี่เป็นคำสอนของอาจารย์ของท่านที่หลอกท่านต้องการที่จะทําลายองคุลิมานเลยหลอกให้ไปฆ่าคน รู้ว่าเพราะรู้ว่าการฆ่าคนนี้จะพาให้ไปนรกนั่นเองไม่ได้ให้ไปสวรรค์ไม่ได้ให้ไปนิพพานแต่อย่างใดแต่เนื่องจากองคุลีมานมีความเชื่อในครูบาอาจารย์มีความศรัทธาครูบาอาจารย์บอกว่าไปฆ่าคนให้ได้หนึ่งพันคนก็ไปทำตามไปฆ่าแล้วเก้า้ยเก้าสิบ้าคนคนนี้หนึ่งพั น, น 1, ก็คือพระพุทธเจ้า พอเจอพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็รู้ปัญหาขององคุลิมาแล้วว่าติดอยู่ตรงไหนติดอยู่ที่การฆ่าพระพุทธเจ้าก็เลยสอนองคุลิมาให้เปลี่ยนวิธีคือให้ฆ่าแต่ไม่ให้ฆ่าคนให้ฆ่ากิเลสให้ฆ่าความโลภความโกรธความหลงพอสอนองคุลิมาว่าเราได้หยุดแล้วเธอยังไม่ได้หยุดเราได้หยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้ว เราได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเราได้ชนะกิเลสเราได้ฆ่าความโลภความโกรธความหลงแล้วถ้าเธออยากจะได้เป็นพระอรหันต์เธออยากจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายเธอต้องมาฆ่ากิเลสอย่าไปฆ่าคนฆ่าคนอีกหมื่นคนอีกแสนคนก็ยังไม่ได้ทําให้เธอได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่มีแต่จะกักขังเธอให้อยู่ในนรกไปเป็นเวลาอันยาวนานนะ พระพุทธเจ้ารแสดงธรรมแบบนี้องค์คุลิมานก็เลยเข้าใจเปลี่ยนเป้าหมายจากการฆ่าคนมาฆ่ากิเลสของตนเองมาฆ่าความโลภความโกรธความหลงพอฆ่ากิเลสได้หมดไม่นานท่านก็ได้เป็นพระอาลัยขึ้นมานี่แหละคือความสามารถของพระพุทธเจ้าถ้าไปพบกับพระรูปอื่นท่านก็อาจจะไม่รู้ปัญหาขององค์คุลิมาลก็อาจจะแก้ไม่ได้หรือแก้ อาจจะสอนแบบรวมๆไปแล้วแต่องคุณลิมานจะต้องเอาไปวินิจฉัยเอาเองนี่คือความเก่งกาจของพระพุทธเจ้าเนี่ยจงถ้าใครได้มีโอกาสได้เข้าถึงแล้วได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้านี้โอกาสที่จะได้บรรลุธรรมขั้นสูงนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายดังที่ได้ทรงตัดสอนไว้ว่าถ้าศึกษา พระสูตรคือสติปัฏฐานสูตรและปฏิบัติตามหลักของสติปัฏฐานสูตรได้รับประกันได้ว่าถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องบรรลุธรรมขั้นสูงขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนนี่คือการปฏิบัติบูบชาถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าก็ดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ต้องอาศัยตัวแทน ของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเราก็ไปศึกษาให้เกิดความเข้าใจเกิดความกระจ่างว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างปฏิบัติศีลศีลศีลมีอะไรบ้างศีลห้าศีลแปดสมาธิการจะทําใจให้สงบต้องใช้อะไรต้องใช้สติสตินี้คืออะไรต้องศึกษาแล้วก็ลองเอาไปปฏิบัติดูปัญญาคืออะไร ปัญญาคือการรู้อะไรรู้อริยสั์สี่รู้ตจลักอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถ้าไม่มีคัมสอนก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าหาเอาเองซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้หรือถ้าเรามีโอกาสได้พบกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปศึกษากับท่านดูแล้วดูว่าท่านสอนแบบเดียวกับที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่ถ้าสอนก็นำมาไปปฏิบัติมีข้อสงสัยอะไรก็ไปสอบถามได้ แล้วก็จะสามารถทําให้บรรลุธรรมตามลําดับต่อไปได้นี่คือการบูชาพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นการบูชาที่เลิศที่ประเสริฐที่ที่ดีที่สุดเทียบเท่ากับการได้บูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผูนั้นคือผู้บูชาเราตถาคต นี่แหละคือการบูชาในพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติบูชาแต่ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงการปฏิบัติบูชาก็ขอให้เราเริ่มที่อมิสบูชาก่อนบูชาด้วยวัตถุเข้าของเงินทองซื้อเครื่องสักการะต่างๆดอกไม้ทูกเทียนก็ดีเปิจากเงินทำานปบารุงพระพุทธศาสนาก็ดีก็เรียกว่าเราได้ทอาอมิสบูชา และจากนั้นเราก็จะได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติบูชาว่าปฏิบัติอย่างไรเราก็เริ่มไปปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่มีความย่อท้อไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้สัมผัสกับผลพอสัมผัสกับผลมากขึ้นเราก็จะเกิดความอยากที่จะปฏิบัติบูบชาเพียงอย่างเดียวเรา ก, าก็จะตัดสินใจออกบวชต่อไป น, นี่คือเรื่องราวของการบูชาในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่สองระดับด้วยกันคือระดับอาบิสบูชาและระดับปฏบิบัติบูชาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะาบุราปะริกุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานัอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุหังคิดเมวะสมิจจโตสัพเปปุแลนโตสังกาปาดันโทปนาราโสย h าณิโชติาราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารโควินัสตุ มาเตภวะตะวันตาบาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสสิลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังฮาลั ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่จะมีการสนทนาถามตอบกันเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนก่ยใสยก่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง youtube ก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเยนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุตจากฟาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ462ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 257 YouTube ด r V 74วิทยุออนไลน์5ขับ h ฮาส e 10นาคุต88รวมทั้งหมด896ท่านค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังนาคุตค่ะ คำถามที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิจิต ม, <c oughs> มักหลุดไปคิดเรื่องอื่นนึกขึ้นได้ก็ดึงสติมาพุทโธใหม่แบบนี้ถูกทางเราใช่ไหมคะไม่ถูกหรอกถ้าถูกทางต้องมีพุทโธตลอดเวลาถ้าเผลอพุทโธไม่มีเมื่อไหร่มันก็จิต ก, ก็จะบ้ไปคิดเรื่องนั้นเร่องนี้นนนต้องพยายามให้นั่งแล้วต้องมีพุทโธอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นั่งเฉยๆ นั่งเฉยๆแล้วพอมันคิดแล้วค่อยพุทโธอย่างนี้ไม่ทันการเราต้องกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนแก้พราแก้แล้วแก้ไม่ทันยังต้องนั่งพอเริ่มต้นนั่งก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปจะช้าหรือเร็วก็ได้แล้วแต่ความพอใจถ้าเราไม่อยากจะท่องพุทโธเราถ้าเราดูลมได้ก็ดูลมแทนก็ได้ดูลมที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก หรือบางท่านเนี่ยอยากไปดูที่หน้าหน้า อ, อกหน้าท้องก็ได้เวลาหายใจเข้าก็พองเวลาหายใจออกก็ยุบนี่เราเรียกว่ายุบหนอพองหนอมันก็เป็นเรื่องของอนาปนสติคือการวีสติดูลมหายใจเข้าออกขึ้นว่าอยู่จะดูที่ตรงไหนดูที่ปลายจมูกก็ได้แลืนดูที่หน้า อ, อกก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะท่องพุทธโธพุทธโธคำถามข้อที่สองค่ะ เวลานั่งจะบริกรรมพุทธโธแต่บางขณะจิตจะมองเห็นภาพตัวเองกําลังนั่งสมาธิอยู่เราควรมองเห็นภาพตัวเองกําลังนั่งสมาธิไหมเจ้าคะไม่ควรนะไม่ควรสนใจอะไรนอกจากพุทธโธอย่างเดียวถ้าเราอยู่กับพุทธโธมันจะพาให้จิตเราสงบได้ถ้าเราไปอยู่กับเรื่องอื่นแล้วมันจะไม่สงบ ข้อที่สามปฏิบัติแรกๆ แ, แลกวนั่งสมาธินั่งได้แป๊บเดียวก็ปวดขาอยากลุกหนีแต่ก็ยังไม่ล้มเลิก พยายามฝึกนั่งใหม่ระหว่างวันก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยมีโอกาสก็ฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีกำลังใจที่จะทำต่อพักหลังเริ่มนั่งได้นานขึ้นนิ่งขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ความปวดทำอย่างไรเราจะข้ามความปวดให้นั่งได้นานขึ้นเจ้าคะคือเวลาเราเจอความปวดสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคืออย่าไปกลัวมันมันทำลายเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจมันความปวดมันอยู่ที่ร่างกาย แล้ร่างกายมันไม่เดือดร้อนร่างกายมันเป็นกระดูก <_ d ood le> เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นมันไม่มันไม่เดือดร้อนกับความปวดแล้วใจเราเราเป็นผู้ไม่ปวดเราไปเดือดร้อนแทนร่างกายทําไมแล้วเราไม่ต้องไปกลัวความปวดอย่าอย่าไปอยากให้ความปวดหายอย่าไปอยากหนีจากความปวดถ้าเราทําใจเข้าใจหลักนี้ได้แล้วเราก็นั่งบริกรรมต่อเวลาเกิดความปวดขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธไป หรืออยู่กับบทสวดอิติปิโสไปก็ได้รับประกันได้ว่าเราจะนั่งต่อไปได้แล้วเราจะผ่านความปวดได้คำถามสักพู้รบฟังนะกุดค่ะการฟังเทสจัดเป็นการบูชาแบบไหนคะการฟังเทสก็ถือว่าเป็นปฏิบัติบูชาเพราะว่าทำให้จิตสงบได้ทำให้จิตเกิดปัญญาขึ้นมาได้ าการฟังเทศที่บ้านกับการฟังเทศที่นน้าดได้อ น, นิสงเหมือนกันไหมคะก็อยู่ที่ผู้ฟังว่าฟังถ้าฟังได้ผลมันก็ได้ผลถ้าฟังไม่ได้ผลมันก็ไม่ได้ผลมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่ฟังแล้วเข้าใจหรือไม่ฟังแล้วใจไม่ลอยไปคิดเรื่องอื่นหรือไม่คำถามจากผู้รับฟังนา้า굿ค่ะภาวนาเห็นการเกิดดับของความคิด จิตแยกออกมามองดูทั้งรูปและนามเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็มีความคิดขึ้นเรื่อยๆโดยไม่กระทบผู้รู้จะเป็นการฟุ้งซ่านขาดสมาธิหรือไม่ครับใช่เป็นวิธีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องการทำสมาธิต้องหยุดความคิดอย่าไปปล่อยให้มันคิดอย่าไปดูมันยิ่งดูมันก็ยิ่งคิดใหญ่คาถามจากผู้รับฟังนะ้ากูดค่ะ สามารถปฏิบัติถึงพระอาหารหันต์แบบค า, ารวะได้ไหมเคยได้ยินว่าถ้าไม่บวชจิตกายนั้นจะตายไม่เกี่ยวกันเนาะเรื่องจิตนี้เป็นอาหารหันต์หรือเป็นบุญชนไม่ได้ไปทําให้ร่างกายเป็นหรือตายร่างกายเป็นหรือตายมันอยู่กับปัจจัยทางร่างกายทางโรคภัยไข้เจ็บหรือทางอะไรต่างๆเรื่องของจิตเวลาจิตมีสุขทําให้ให้ร่างกายตายหรือปเปล่าเวลาเป็นพระอาหารหันต์จิตก็เจอบร ม, มสุข เธอบัลลุมมรสก็ไปทําให้ร่างกายตายได้หรือเปลมันไม่ได้หรอกมันคนละเรื่องกันคนไม่เข้าใจว่ากันไปเองไม่มีในคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะข้อถัดไปสอบถามเรื่องมหายานว่าต่างกับนิกายเถรวาทเรื่องพระโพ ธ, ธิสัตว์กับการดับศูนคือถูกทั้งคู่หรือต่างกันอย่างไงครับเป็นการเข้าใจใบคนละแนวกันนั่นเองแนวหนึ่งก็เข้าใจ อย่างหนึ่งแนวหนึ่งก็เข้าใจอย่างหนึ่งอันนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะแนวที่เราใช้กันนี่ก็คือแนวของเทรวาสเป็นแนวที่ได้รับการรับประกันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแนวที่พาให้สู่การุดทนได้มีพระอรหันต์สาวงค์เยอะแยะเกิดขึ้นจากในแนวของเทรวาส คำถามจากทาง Facebook ค่ะเวลาเดินจงกรมแค่รู้ว่าเดินแบบนี้ผิดไหมคะคือไม่ได้โฟกัสที่ใดเช่นไม่โฟกัสที่เท้าเคลื่อนไม่ได้บริกรรมพุทธโธแต่เมื่อก่อนใช้วิธีดูอาการเคลื่องของเท้าพร้อมบริกรรมขวาซ้ายทําไมตอนนี้ที่แค่รู้ว่าเดินไม่บริกรรมจะลุดบ่อยคะขอให้ไม่คิดเท่านั้นอ่ะเดินเพื่อไม่ให้คิดจะจ ะ, จะดูเทา้าจะพุทธโธก็ได้ ให้ดูว่าคิดหรือเปล่ายังคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นอยู่หรือเปล่าถ้าคิดก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่คิดก็ใช้ได้ถ้ารู้เฉยเฉยรู้ว่ากําลังเดินแล้วก็ไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่ามีสติแต่ จ, จะรู้ได้นานเท่าไหร่นั้นก็อีกเรื่องบางทีอาจจะรู้แค่สองสามวินาทีแล้วเดี๋ยวก็แวบ ไ, ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นต่อแล้วมันต้องระวังนะแต่คิดว่าเราจะสามารถ หยุดความคิดได้เป็นเวลายาวนานถ้ามันเริ่มคิดเมื่อไหร่เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้าไม่หยุดมันแล้วใจก็จะลอยใจจะฟุง้งเวลาทำสมาธิก็จะไม่สงบอ่ามีกระดาษสองใบคุคําำถามจากผู้รับฟังนะกูด ค, ค่ะเมื่อมีความจำเป็นต้องเข้าห้าง ผมกำหนดอินทรีย์สังวรตาไม่สอดสายหูไม่สอดสายเห็นรูปเดินพยายามไม่ติดข้องกับรูปเสียงสัมผัสที่มากระทบแบบนี้เรียกทำกายกายานุปัสสนาได้ไหมครับเป็นการจารันสติสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไหลไปกับรูปเสียงกลิ่นลดเพราะถ้าไหลไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดกิเลสเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงตามมาให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้เฉย อย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้แล้วอย่าไปสนใจให้ทําหน้าที่ที่เราต้องทําเช่นนะเราเดินก็ให้เราอยู่กับการเดินไปเรามีงานที่ต้องทํำเราก็ทํางานที่เราต้องทําไปแต่อย่าไปให้ความสําคัญกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะในเรือนพักของคนเก่า ในเรือนพักของที่คนพักเก่าทิ้งไว้เช่นน้ํายาล้างห้องน้ําถ้าเราหยิบใช้จะถือว่าผิดศีลข้ออาทินนามไหมคะไม่น่าจะผิดนะเพราะว่าเขาก็ทิ้งไว้แล้วเป็นเหมือนของทิ้งไปแล้วแล้วก็เป็นของที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันก็ใช้ได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าไปใช้ก็แล้วกันถ้าเราเียงคิดว่าเป็นการขโมยของอยู่ก็อย่าไปใช้เพราะถึงแม้ว่าจะไม่ผิดแต่ถ้าเราคิดว่าผิดแล้วเราทำ ก็ถือว่าผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจเราก็อย่าไปใช้ของของคนอื่นก็ถามถามคนที่เกี่ยวข้องก่อนว่าใช้ได้หรือไม่เช่นทำเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขารู้เรื่องดีก็ถามเขาว่าของนี้เอามาใช้ได้ไหมถ้าเขาว่าใช้ได้ก็ถือว่ามีก็ไม่ผิดศีลคำถามจากทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะ สมมุติถ้าใช้เงินหนึ่งพันบาทซื้ออาหารเลี้ยงปลาในคองกับใช้เงินหนึ่งพันบาทซื้อปลาในตลาดเพื่อนำไปปล่อยให้รอดชีวิตจะได้บุญเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับอ๋อใบปล่อยปลามันได้ได้บุญมากกว่าเลี้ยงปลาอยู่ในในตู้ยังคังมันอยู่เหมือนติดคุกอยู่ถ้าเราเป็นปลาเราอยากจะเป็นปลาแบบไหนปลาที่ปล่อยในน้ำหรือวปลาที่อยู่ในตู้ เขาบอกว่าปลาในคลองค่ ะ, ะปลาในคลองเอาเปเปลี้ยงปลาในคลองค่ะอ๋อเลีเ้ยงปลาในคลองก็โอเคก็เป็นบุญแต่อาจจะเป็นบุญนอกก้อยกว่าการไปซื้อถ่ายชีวิตปลาเพรา ะ, ะว่าทําให้เขาอยู่ได้ปลาที่อยู่ในคลองนะถึงแม้เราจะไม่เลี้ยงเขาเขาก็ยังอาจจะอยู่ต่อไปได้ค่ ะ, คะขอบคุณค่ะคําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ผมนั่งภาวนาบางครั้งหายใจไม่ออกเหมือนใจจะขาดต้องดูตรงไหนครับถ้าเราดูลมไม่ได้ก็ใช้พุโทโธแทนหรือสวดมนต์ไปก่อนอิติปิโสไปก่อนแสดงว่ากิเลสเรายังมีกําลังมากอยู่มันมาสร้างอาการรู้สึกหายใจไม่ออกขึ้นมาก็อย่าใช้การดูลมใช้การบริกรรมหรือใช้การดูสวดอิติปิโสไปสวดมนต์ไปก่อน คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ปกติจะ บ, บริกรรมตลอดเช่นขดเยียดก้มเงยเคี้ยวโกรธคิดใช้คําบริกรรมที่ตรงกับสภาวะจริงตอนนี้มาหัดรู้สภาวะโดยไม่บริกรรมรู้สึกว่าเห็นสภาวะชัดดีแต่เหมือนว่าจะหลุดบ่อยไม่ทราบว่าที่สติหลุดบ่อยเกี่ยวกับที่พยายามเลิกใช้คําบริกรรมไหมคะควรกลับมาใช้คําบริกรรมบ้างเวลาเผลอบ่อยจะดีไหมคะแต่ไม่ได้บริกรรมพุทโทธคะ่ะ ควรจะใช้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปใช้หลายอย่างถ้าจะพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวถ้าจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดูการเคลื่อนไหวไปอย่างเดียวอย่าไปดูนั่นดูนี่แล้วก็บอกว่ารู้นั่นรู้นี่อย่างนี้มันเป็นการทํางานป่อยให้ใจคิดปรุงแต่งแล้วไม่รู้สึกตัวต้องหยุดความคิดปรุงแต่ง ให้อยู่กับพุโทโธให้มันคิดแต่ปรุงแต่งแต่พุโทโธอย่างเดียวหรือปรุงแต่งอยู่กับการเคลื่อนไหวของการกระทำของร่างกาย ว, วันนั้นเหรอคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะเดินไปทำงานแล้วเจอน่าจะเจอของหรือเจอเงินนะคะน่าจะพิมพ์ตกแต่ แล้วเจอแต่ไม่รู้ว่าเป็นของใครก็เลยเอาไปใส่บาตรแบบนี้บาปไหมคะบาปเพราะเขาไปเอาเงินของที่เขายังไม่ให้เราบาปด้วยได้บุญด้วยได้ทั้งสองอย่างใครอยากจะได้บุญโดยที่ไม่ได้บาปเพรเอ่อเอาเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเราไปใส่บาตรนี่เอาเงินของคนอื่นไปแต่ถ้าเ็ายังไม่อนุ ญ, ญาตก็เหมือนกับไปรักทรัพย์ของเขาไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการที่เราแชร์ธรรมะหรือบทความข้อคิดต่างๆในเฟซบุ๊กก็ดีไลน์ก็ดีอย่างนี้ถือว่าผิดไหมคะก็เป็นการให้ธรรมะซึ่งเ ป, เป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมะดีกว่าให้เงินให้ทองเพราะว่าเงินทองตรงนี้มันไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้อย่างแท้จริงแต่ธรรมะนี่บางทีทาให้เขาหยุดฆ่าตัวตายก็ได้ บางทีเครียดมากๆเศร้ามากๆคิดจะฆ่าตัวตายพอได้อ่านธรรมะขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายหรืออย่างองคุลิมาเนยจะไปฆ่าคนอื่นพอพุทธเจ้าบอกให้ไปฆ่ากิเลสก็เลยหยุดฆ่าคนอื่นฆ่ากิเลสแทนอย่างนี้จะได้บุญมากเพราะว่าเราช่วยให้เขาได้บรรลุธรรมให้เขามีดวงตาเห็นธรรมค่ะคำถามจากทางเฟซบุค่ะ เอาเงินใส่บาทได้หรือคะได้หรือไม่คะคือญาติโยมใส่อะไรก็ได้แต่ของบางอย่างนี้พระจะรับเองไม่ได้ต้องให้ลูกศิษย์รับแทนให้ถ้าเป็นเงินทองก็บอกให้โยมมาฝากลูกศิษย์ไว้เดี๋ยวถ้าต้องการจะใช้เงินแล้วลูกศิษย์ก็จะเอามาไปซื้อของให้เองคือไม่ต้องการให้พระ ม, มีเงินทองจับใจ่ายใช้สอยซื้อของเองแต่มีไว้ได้เผื่อมีความจําเป็นขาดเรืออะไร เช่นถ้าขาดยาต้องไปรักษาต้องซื้อยาที่ทางโรงพยาบาลเขาไม่มีให้อย่างเงี้ยก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อให้ได้แต่ไม่ให้เก็บไว้เองเพราะกลัวจะถูกขโมยเก็บเงินไว้แล้วไม่ปลอดภัยเพราะพระไม่ได้อยู่ที่มิชิันสมัยก่อนพระอยู่ตามโคลนมาอยู่ตามอะไรพระไปเก็บเงินไว้นายาม่มเดี๋ยวก็ถูกขโมยมามารักขโมยไปก็เลยไม่ให้มีการพกพาเงินทอง แต่สามารถฝากเงินทองไว้กับคนที่เราไว้ใจได้ค่ะคำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะทำอย่างไรถึงจะเลิกยึดติดกับลูกได้คะมีความเป็นห่วงกังวลตลอดถ้าลูกมีความทุกข์เราก็จะทุกข์ตามลูกไปด้วยขอบพระคุณเจ้าค่ะคิดถึงเวลามันตายอยู่เนมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายพวกคนของเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายตายแล้วก็ไม่ก็จะไม่ไปกังวลกับเขาแล้ว ไม่มีอะไรจะต้องกังวลเมื่อตายแล้วก็จบค่ะคำถามจากทาง youtube ค่ะถามเพิ่มเติมถามเพิ่มเติมจากคำถามที่ปล่อยปลานะคะถ้าสละเงินจำนวนเดียวกันเพื่อช่วยชีวิตปล่อยปลากับโครกระบือสัตว์ใหญ่จะได้บุญแตกต่างกันไหมครับเอาถ้าโครกระบือมันก็ต้องใช้เงินมากกว่าพันหนึ่งเลยมันก็ต้องมันก็ได้บุญมากกว่า อยู่ที่อยู่ที่จำนวนที่เราเสียสละไปว่า เ, าเสียสละมากน้อยเท่าไหร่เสียสละมากก็ได้บุญมากเสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยถึงถ้าใช้เงินจำนวนเท่ากาันกับปล่อยปลากับโคกระบือก็ก็ได้เท่ากันค่ะขอบคุณค่ะแต่เขาจะไม่ให้ปล่อยสิแค่พันเดียวมันต้องไปร่วมรัมคนอื่นก่อนเพราะวัวตัวหนึ่งมันต้องหลายหมื่นไม่ใช่หรือ